จะม า, ะมาดื่มประจำมาันตามภาษาคำแทำไมโก่งโลกกันพูดด้านยยาหน้าด้านๆเลยนะฮึไอตอนตอนนี้ตอนนี้มีอยู่คนโกงใคก็ไม่เข้ามาคนานั้นแล้วว่านที่ถ้าจะไม่เข้าไดมาจะมาอยู่ก็้าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะ น, นี่ไม่เกี่ยวข้องเลย นี่ดปปุ๊บานั้งจไหนเป็นเนรคาเป็นนที่จะเข้ามาก็ไม่สมันั้นน้องผือเขาออกกับมะโคกไปน้ำมดพราะรูไม่ดีมา่งท่านจ้ะไม่ใช้เขาก็ไปน้องผือก็าไม่ดีเฮ้ชยชอบมากเลยเคยผิดมาตรงนี้แต่ไหนอันนี้จะถึงตึกทำให้คิดมาก เมก่อตอนนั้นในเวลาท่ า, านอารย์ปวยหนักจะเป็นผู้ประทัประถาวนอาการว่า ง, าางั้นนะ่าคเรียนแตกนี้หมดทั้งเทศเ่อเวลาท่านอาจตรยจวนตัวมาแล้วได้มอบพันลังคาสีแห่งแกผืนหนึ่งกับหลวงตาองค์หนึ่งว่านั้น ม, นมอบที่ไหนเน้อพระที่ไหนที่ว่าแตกนี้ก็บท่ า, านจารมั่นพิจารณาที่ตรงนี้นะักท่ า, า, านจารมั่นเป็นชื่อมีชื่อกะเดื่อมทั่วประเทศไทย พะแต่หรืท่านได้อย่างด้วยเหตุผลกลไกอะไรใช่ไหมล่ะไม่มีใครดูแลนี่ก็ท่านถึงท่านเขาตั้งตาหวังยิ่งจวนตัวเท่าไหร่นี้นผมไม่ได้ออกจากท่านพอแบบคาดสายตาไปสักนิดหนึ่งว่าไม่ได้พบท่นผู้ชายท่านผู้ชายได้เข้ามานะวันไหนท่านเพียรมากผมไม่ได้นอนตลอดลุ่มว่าง ผมอยู่ใม้กับท่านเป็นประจำเพราผมไม่ไว้ใจผู้ใดท่านเองเพราะที่จะไปทําให้ท่านได้รับความสะดวกสบายจะไปขัดอัธยาศสยบ้างเวลาท่านถ่ายหนักถ่ายเบาท่านเองีรู้เรื่องเรจะไปรู้คำคำมาให้ท่านลําบากผมต้องขว่ายตัวไปทุกท่านทุกอย่างเลยเวลาต่ายมาผมมือก่อไปเลยใส่กระโถนกรอนใส่กระโถนเพราะทุกคนต้องมีมีค่าสถิตจะต้องไม่มี ผมทำก็หนักนั่นถ่ายเบาผมกม็มีสาธุมพูดการความสิ่งผมก็จับงวยวะท่านใส่กระป๋องผมไม่พูดเข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งของสิ่งของท่านานั่นที่เป็นสิ่งที่เคารพมากรักสมวนมากไม่แต่ผมบ้างท่านวันบ้างผมไม่ใช่บ้างแหละผมเป็นทท่เลยเท่านั้นผมไม่ไหวใงใครจึงไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง ผมนับผมรสมุนท่านมากแต่ไม่ให้ไปไปใครเห็นอะไรของท่านได้ยังไงมีสมาดผมก็ไม่จะไปไมาวันพุธวันพูนผมไม่ได้ไปเลยมีสมัยทันทหารผมก็ไม่ฉันพร้อมข้ามเพื่อนผมเพื่อนฉันเสร็จแล้วผมถึงจะไปให้เพื่อนมาเปลี่ยนแ่ทนท้าส่นมากท่านก็ค่อยส บ, บายแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้วาใจใครอย่าง อีกเหมือนกันจึงเไม่แบบาพจากท่านไปกันคืน อ, อยู่ในม้วนเลยพอท่านหลับนิ่งก็จะให้ไครพอไว้ใจบ้างเข้าไปแทนแล้วก็สั่งไว้ด้วยหากว่าท่านถามถึงพอท่านตื่นท่านจะถามถึงผมเลยอ่ะมาไปไหนเลยทันทีถ้าถามถึงอยากกาบเรียนท่านลับไปที่นั่นที่นี่นะว่าให้ไปตามมาทานันที บางทีผมไปพอไปถ Finanz, ึงท right ี <nas> hing, ่พ <right? S 1> ักเออก็พ <Yes. S 1> ักกตามไปไปเรียนก็ตามไปไปเพอาองเข้าเนี่ยเหนือข้งนอกคุ้นๆมาทันทีเลยขนาดนั้นผมระบุมหะบบอันนี้เพราะผมนั่งตั้งวัดทั้งคืนแตผมไม่เคยมาสนใจกับสิ่งนี้เลยให้เหนือท่านการย์ไปที่จิตใจผมได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีปัญหาตาก็ตายไปเถอะขอให้รับะครับท่านเต็มฤทธิ์กาลังความสามารถ ที่เราได้ถึงใจกระทั่งมานะอันถึงชายมันเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่ไหร่ที่ไหนทำไมอาถารพ์พูดได้อย่างนี้พระนี่แสดงว่าพระนักโอ้อวดเป็นเลยโลกไปแล้วผมไม่ได้หาดลพโทษผมพูดตามความจริงท่านพูดได้ยังไงถ้าถึงพระผู้มู่งวังมุ่งทำมันผิดไปสเท่าไหร่นี่ท่านพูดแต่หาอะไรนั่นสิ มีหนามท่ำผมกูอันนี้ผมก็เคยมีหลักฐานมาว่าผมยังเป็นตัวแสบของท่านพ่ออยู่น่ะสาวกทีจนะ่จะกระพุ้ยน่นแต่ใคยว่าอย่างโน้นเนี่ยผมนี่เป็นตัวแสบของท่านพ่อเรา อ, อีกมือกัเหมือนกัว่าจะมากาจัดผมนั่นแหละเพราะผมเป็นตัวแสบผมแสก อ, อะไรครับเดี๋ยกผมไม่มมยินมาเลยอันี้ไม่เลยมีนัน่นทัดเย็เหมือนอย่างที่ว่า น, นี้อนี้ครัด พอาดอยู่กับกาแฟนั้นน่ะมาอยู่ทางนี้พูดไปยังไเท่านั้นจำได้ทุกคําขาพูยทางนี้ฝังทางนี้ฝัง ท, ที่มันพาเองเป็นพาที่มาแต่ท่านผู้าองข อ, อคุณกลางวันกลางคืนแผลมันยิ่งกว่างานเดินก้าว ก็พอดีแหลครับคนคุณชอบแบบนั้นเหมาะแล้วเะอะไรแล้คนผมไ่เคยเป็นกฎเป็นเกณฑได้ผมพออจรงรท่านนั้ก็มีท่านฟั๊กทปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์อยาที่เป็นมาแล้วคนรู้สึกว่าดีเพื่อนสูงก็มีมากเป็นเด่นครับแต่ท่านด้านจิตใจมาเศร้าจะเป็นยังไงผมก็ จะวนอยู่เรื่อยๆเปนหมายงานอะไรๆอยากผิดเป็นสำคัญที่ของงานพรานตอนที่สร้างสล า, า, นานของผงก็บอกพอจนเราจะเข้าพรรษาพ้สศ่ลหมายสั่งไปเลยบอกงานทั้งหมดที่จะทำนั้นเช่สาานสลาเต้นให้หยุดทั้งหมดหมดเลยเงเดืเราเคลื่อนหยทั้งงมด เพราะเราห็นี่คุณค่าของความเพียนทางด้านจิตใจมีมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใด น, นะมันจำเป็นก็นนานนทางทำแต่หน้าไหนนีท่ทั้งที่มันสะดวกใจแต่สินอาสายคุยังไงขอรู้ไม่เป็นแต่ทั้งที่มันสบายใจก็รอจังหวะที่จะค่อยหยุดค่อยงดมันดีเสมอ ไ, มไ่ติดอกติดใจนะครับ เกินกับเรื่องการงานภายนอกมผมไม่เห็นงานแบบนี้เป็นงาน<ม>ที่ขัด น, นอกจากทําลายใจิตใจของเรา<ม>แต่มันเมื่อมันจําเป็นอันจะอาศัยสิ่ง น, นี้อยแล้วก็ให้ทาไปเถิด้วยความจําเป็นข้อการเท่านั้นที่ตลอดไปก็คือความเปลี่ยนทางด้านใ จ, ใจิตใจนี่เรามุ่งอย่างนั้นจริงๆจิตของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเพราะเราไม่ได้ปรากฏเป็นความวิจัยที่สุดเราหากว่าจะปรากฏภายในจิตใจเราด้วยสิ่งเหล่านั้นเลย นอกจากความเปลี่ยนเท่านั้นทา้ได้รับความเปลี่ยนประหลาดประทับใขึ้นมาทุกกระยะรยะมากน้อยตามวันของเราเราได้จากความเปลี่ยนและไม่ได้จากสิ่งอย่นั้นเราจรึงไม่ได้ยกยอสิ่งนั้นว่าเหนือกว่าความเลียนทางด้านจิตใจนี้ไป อ, อยู่ในหัวใจเนี่ยจะปฏิเสธไปไหนถึงดูรู้อยู่ยตลอดเวลานีหลักฐานพยาน ว่าธรรมคืออะไรอมไม่ต้องตอบก็ได้ไมรู้อยู่แล้วธรรมคืออะไรอระพุทธเจ้าท่านวิเศษด้วยอะไรถ้าสงสัยว่าท่านวิเศษด้วยอะารอย่างเนี้ยมันต้องตอบมันบอกตรงตัวเต็มเลยผ่ายเถอก็ด้วยความเพียรแสใจผ่ายผลก็คือความ สว่างก็ะจ่างแจ้ ง, งอะโลโคปายดูที่กจเสมอไม่มีอะไรมาปิดบังหุมหผอได้แม้แต่นิดหนึ่งขึ้นขึ้วสมุดเป็นหลักธรรมชาติของจิต ด, ดวงนั้นเป็นอิสระพระอิสระรอิสระอิพานใตัวโดยหลักธรรมชาตินั่น อ, น, ออ น, อ น, น, นอยู่ที่ไหนจิตไม่อยู่ในใจคนไม่อยู่ในคนนั้นอยู่ที่ไหน ความทุกบร้อนก็เคยทุกมาพอแล้วอืมัมนก็ทุกอยู่ที่หัวใจความสบายไม่ได้แต่ชิ้นอาหาร อ, าอร่อยๆที่นอนหมอนมุ้งดีขนาดไหนอะไรดีมากน้อยมันก็มีไม่มีอะไรมาช่วยจิตใจได้เลยพอจะสว่างสางาจากความภักเพียรน น, นอกจากความเพียรเท่านั้นเป<ม>็นมามุไม่สงสัยเราเรื่องของที่ทำเราน่ะ ในอัตภาพนี้แหละเตพ่ออย่างยนี้ในเวลาบวชเป็นซึ่งเป็นเวลาจะมองดูหัวใจเวลาปฏิปักษ์นีเป็นเวลาที่เหมาะสมยิ่งเราจะดูหัวใจระหว่างใจกับทุกข์หนึ่งมันครอบกันมันเผากันมันเผ า, เาด้วยวิธีใดบ้างพเพราะเผาด้วยหน้าไม่ดีเลยมันก็เด่นเลยที่มันลืมได้ไย่างไรไ่ดีที่จะ เวลาจะปราบมันหรือเวลาปราบมันนี่โหถ้าเป็นถ้าตายยืนบูลืมตาล่ะทุกยากลํำบากที่สุดเรองการประกอบความเพียรสำหรับผมเองแต่แล้วแน่ใจ่าใไทๆก็เถิดเพราะที่เหลือเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นด้วยกันทั้งหลายใช่ไหมเปกล้วยหอมพอจะมาปอกจริงๆเรื่วยๆออกี่เหลือไม่ใช่กล้วยหอมพอจะมาปอกง่ายๆจร ง, ง่ายวะ่ะแล้วเราจะมาทําความเพียรแบบกล้วยหอมมันจะเข้ากันได้หรือว่า แต่ว่าตัวตัวมันจรุดลอยไปนีแ้แทบเป็นแค่ผนผมเคยพูดเสมอ ง, งานอะไรก็ตามในโลกที่เคยผ่านมาผมยังไม่เคยได้สลากีวิจิตใจกับมันเลยถึงจะยากขนาดไหนหก็ดีแต่งานภาวนาเ น, นี่ยใหม่ในสลากมรู้กี่ครัง้งกี่หนเป็นขึ้ น, พ, นพื้นไปเลยจะมีแต่ไม่ไม่ไม่หนไปพื้นถ้าถึงจุดเด่นอ้าวตายไม่ตายให้หรูมีเท่านั้นนะเวลามึถึงจุดเด่นมันเป็นต้องพัก เนิสนี้ไม่เศร้ามาสี่ครั้งแล้วเอาตายเถอะ<ม>ไม่ตายให้รู้ถ้าพายเยอะเท่านั้นไม่มีถอยถ้าลงได้เ อ, เอาเถอะขนาดนั้นได้จิตมันโูหมันเป็นหินหกนะักไปเลยจะถอยไม่ได้จนเลยขาดเอาตายไว้จริงนั่นเป็นลักมนุษย์ี่ครั้งโฉนแล้วผลมันก็ถึงใดนะ้่ะ ถ้าลงในหมุนเติร์แล้วเนี่ยว่าไม่มีอะไรแลยในโลกนี้มิแต่ตายกับพูดเท่านั้นอ้าว เ, เถอะตามันมีน้ำหนักที่กว่าความมุ่งมั่นนั่นแหละความเพียรเมืก็หมุนตนิีเลยสติปัญญาเป็เท่าไหรแล้วท่อมันลงไปเข้าห ม, มุนตันนั้นได้ของราชการขึ้นมาแต่ละครั้งแตะครั้งพบมันเป็นพับทับหนีมันได้ด้วยวิธีนี้ทั้งนั้นไม่ได้ด้วยการปอกกล้วยหอมนี่เราจะมาสอนหมู่เพื่อนแอบบปอกกล้วยหอมมันได้ยังไง ผมสอนไม่ลงเพราะผมไม่ทำมาแล้วนะมันรู้มันเข้าใจมันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภางจิตใจมันก็รู้ได้แั่ทีเดียวไม่ต้องไปถามใครคำสั่งที่ดิโกนี้ประกาศลั่นอยู่ในหัวใจ่เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยสันทิศโกนสันทิศโกนอ๋อเฮ้ยทราบจักไม่มีปัญหาอะไรมันมีปัญหาอยู่กับที่เละตัวลอย ฐันฐานร้อยสันฐานคมต่างหากนมันไม่ยอมให้เชื่อธรรมพระพุทธเจ้าอืมันให้ต่อสู้กับธรรมเสมอไปแล้วทั้งที่เราภาวนาแต่มันการต่อสู้หรือลบล้างธรรมออกจากใจเพราอบงำเจือเหลวอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้มันจะเฉย อ, มมอสติปัญญาคอยทันเข้าไปทันเข้าไปถึงรู้กลมายามันเรื่อยเลื่อยไปจาบกลมายามันได้เลื่อยไปเลื่อยไปฟาดันเรื่องเลย เนี่ยเรามันยากนะนั่นแหละผมในตลาดที่เอาถึงตถึงไหนถึนกันไม่รู้กี่ครั้งนะมีมาถึงว่าถอยไม่ได้เลยขั้นลงได้เอาเข้าไปอย่างนี้แล้วเป็นเป็นไม่ได้จริงๆต้องโค่งเลยจ้ะไม่รื้ เวามันบีบบังคับเ้านโอ้โหมันมีทุกอะไรยิ่งกว่าทุกข์จากที่เด็กบีบบังคับหัวใจดูเฉยๆแล้วก็เป็นฝืนเป็นไฟดิ้งเอ๊ะมันได้เรื่องอะไรไม่เห็นมีเรื่องอะไรทําไมมันถึงเป็นคืนเป็นไฟขที่ใจอย่างอยู่ที่เฉยๆนี่นะเกิดความมุดหงิดก็เกิขึ้นมาอืมท่วงหรือเปล่านี่เป็นทุกข์หรือเป่าเอ๊ะมันอะไรมันก็ไม่รื้นะ แลนไ้ฟาดมัลงเต็มที่เต็มฐานมันทังทลายลงไปทลายไปทลายจะทังทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรมากดเลยจะว่างวันคืนปีเดือนก็มีแต่มื่อกับเครื่องเท่านั้นอันนี้เป็นอาการริบหรูอาการหาเวลาไม่ได้นั่นแล้วที่ก็ยิ่งเห็นโทษเต็มมากกวจะน้อยลงทุก มีมากน้อยเป็นพราที่เด็ดทั้งมวลอยู่บนหัวใจกายที่หลึกรับความทุกข์คนามนบากมีอันนี้เท่านั้นนี่ไม่อย่างอื่นเลยมันนั่งตลอดรุ่งอ่นี้คนะุม้มทุกข์มากนะจะเป็นไข้ของมีเป็นไข้ของมากเพราะต่อสู้เป็นไข้ขนะขไม่เคยถอยนะ น่ำภาวนาหล่ อ, ยอยนี่ใหม่ทุกมากร่างกายของมากอันด้านจิตใจ ก, ก็หมุนดีออกกันนั่งก็บปติปปัญหามันเป็นทุกข์อีกเหมือนกันนะกคนแต่ข้นแต่ไปเจออุปสรรคจังๆเข้นี้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ยอมถอยนี่ทะเอาให้ทะลุอย่างเดียวไม่ทะลุอต า, ายเลยกับปัญหานี่เียที่มันขึ้นภายในจิตใจคอยสติเป็นราววุ้ยเสียขุนคนแต่ไปเจกันออน พอไเอไเก็เวมือนกันเลยเจอขาดศุแล้วฟาดกันเลยคําว่าแพ้มันไม่มถึงขั้นมันมันไม่มีแล้วมันไม่ดีดีิงๆมิจะตายกับอาชนะากั้นคําว่าแพ้นี้ไม่ได้น่ถึงขั้นแพ้ไม่ได้นี่มันต้องเป็นขั้นที่ว่าเด็ดขาดข้อขาดทีเดียวขั้นที่มันต่อยเอาไงลงไปไงลงไปนั่นกก็รู้กันแล้ว อารมณ์แดดเราไม่มีวันมีลาแล้วขึ้นไปยังไม่ยกครูเลยมันต่อยหนาไปแล้วก็ทรามันอยู่ที่ไหนอยู่เลยอรู่อสูตต่อยหนาไปแล้วโอ้ยหนักขนาดนั้นไม่ดีพอจิตใจในหลักได้เกนขึ้นมาบ้างก่อนฟัดเขยันไปฟัดเขยยนไปหนักเข้าหนักเข้าเจนกระังอยู่ก้นขัวนั่นแหละดีมันถึงขั้นเต็มที่แล้ว อยู่กัิงไม่ได้ใครมาคุยยืยไม่ได้เลยเสียเวลาหาหลบหาต้อนหนีทำทางคนเดียวทั้งวันทั้งคืนเลี้ยงแต่หลับเท่านั้นไม่มีแต่เรื่องต่อสู้กับเด็กเด็กมันทำไมทุกข์ได้อย่างไรแต่จิตมันเพลินนะเวลานั้นมันลืมทุกขไปที่จะเพินที่ต่อสู้กันเ ท, ยย ท, ท, ท, ทนท า, า, างทางทลายก็นไม่นนีอะไรแล้วมันราควรใจ ก็ไม่เห็นคัดเจนเต็มวัดสดเต็มอ๋อมันมีความเรื่องของเกิดเท่านั้นขันห่านก็มีกระปุงยืดเยื้อยืยื้ของมันเกิดขึ้นมันดับของมันเกิดมันดับของมันมันไม่เห็นมีเจ้าของเราไม่ไปยึดเพีอย่างเดียวมันก็มีมีเจ้าของกระกินของมันตามธรรมชาติทั้งๆที่มันก็ไม่รู้ความหมายมันว่าจริงหรืไม่จรินขันมันตุ้งนันตุ้งยืดเพื้อทีอะพอถึงการของมันพอถึงการแล้ว กินหน่นก็เป็นสมมติมันก็ต้องไปตามสมมติตางหาถ้ามไม่ใช่สมมติขนันเป็นมมตได้เมื่อไหร่มันก็ไปตามสมนี้ต้องมาไปตามหามาทใหมแล้วทุกเพราะสมมติีพ อ, อย่างมันได้สมมติอนี้มันได้สมม ต, มมมตแล้วมันก็จะตามหาสมมตที่เหนอีกอันานาลาโยหมดความ ห, มห่วงใ่ มันเป็นเึหนมามนะผมเกิดความก็้อต่อยจิตใจไม่คิดจะสั่งจะพูดกับใครได้เลยมันย้อนถึงพระพุทธเจ้าหือกันนะพระพุเจ้าทรงทำใจฝ่ายนอนไม่อยากสั่งอนสารโลกในขนาดที่โปรวนไปเจอใ น, นขนาดนั้นยังไม่ส่งที่กายออกไปกว้างขวงางงานเปอนน้น พูอะไรกับใครฟังพูดอะไรฟังก็เหมือ น, นทักชวนนั้นเขามองว่าเราเป็นบ้าอะไรอ่านี้บ้ามาพูดอะไรใคาจะไปยู้เรื่องด้วยเหมือ น, นก็วมันผิดวิสัยของมนุษย์จะต้องงอนที่จะพูดที่จะรู้จะเห็นด้างหรือวิสัยทั้งหมดอที่แรกลอนนั้นมันยังไม่ใช่ความคิดมากแต่ก่อนนั้น ปเจอในวงปัจจุบันนี่เสียแล้วยังไม่ย้อนถึงอดีตในอานาคตแอนก็ต้องทำให้ท้าใจจนกระทั่ทงที่จะลี้สายออกไป น, นะทะลุมนุษย์รู้ไมได้แล้วนี่เราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์เป็นอะไร <S <S เป็นเทวดาอินฟร์มมาจากไหนทำไมถึงรู้เนี่รู้พระเหตุหละก็รู้พระปฏิปทาแน่ถ้ามีปฏิปทาสังส่งสอนดเนินทางนี้มันก็รู้ได้สิแหน่ทางออกจริงที่จะขยายออกไป ทำทั้งหมดสอนเพื่อที่จะให้รู้นี่เป็นทางเดินทัน้งนั้นหรือเป็นบรรทาดกันทั้งนั้นจะรู้ไม่ได้วิเศษหรือวิเศษถูกมนุษย์ที่ตรงไหนยังมาหวัดรู้จากคนเดียวนมันก็มีทางแต่แ ต, ตามปฏิบัติทางเวาเราฝึกแล้วปรามาณว่าโอ้เป็นกต่างหน้าใครเมืองผาาที่รู้ ยืนมายของเขายืนออกหูหรืนะไม่ได้ออกต้นหูนะไม่สศราไม่เมื่อยไม่เพี้ดินมุนกรมทีไม่ขี่ตลดมันกล้าไม่ออกมันเพี้ยมันจะกล้าใครไว้เพราะปวดอาหารนี่นั่งแต่จิตไม่เป็นงั้นที่นี่มันเป็นคนโลกอยู่แหละจิตมันถึงถึงถึงเลยแ้่ร่างกายมันหมดกำลังเดินมุนกรมไม่ได้ขี่ตลลย จะกล้กกาขาไม่ออกไแล้วอ่อนจิตใจไม่อ่อนความเห น, นื่งั้นนก็แต่หลังกัา บ, บินระบากมามั น, ะ น, นรินชักพอนางซีเป็นไปอะอี้อย่างนั้นคือการปืนทหารมันความเพียงมันสะดวกกว่ก า, ากันมากตำหรับนี่สายผมนั้นจึงต้องเป็นไปด้วยถนัดตา ม, มาิงเรื่องขอ ง, งนยัยทีการต่อสู้ที่ดี ด้วยการอดอาหารมีทังท้องเสียเพราะมันอดออกรินกิเรามีสเท่าเอาเอากินเอาจังท้องผมยังไม่ได้อายถึงสี่ถึงเนี้ยเสือนะแล้วตั้งแต่สามเริ่มเริ่มให้รู้แให้รู้แต่อายุัแต่สี่เริ่มให้รู้ถึงพวกเขาวันไหนันหันแล้ว วันนั้นกลางคืนมันถ่ายหมดถ่ายหมดก็อยู่ไปอีกหมดช่้งงอนนี่หรอกูกิน่มันอยู่ไม่อยาอยู่มันไปเลยไปไปแล้วอินบ่ายไปหลายวันไปมันก็ยิ่งอ่อนไปเรื่อยๆคอยทราบมันมาตั้งแต่น้องมื่อพราโง่ก็ลงไปแล้วนี่งันกร้ปไยใหญ่เหมือนกันนะเหมือนยังไม่ถึงสี่กีกูอดทีไรเป็นทุกีแม่เพียงสามวันแม่เอามาเาเอาเพงสามวัน มันก็ถ่ายเหมดเลยหดสามวันวันคกามรู้สีฉันนี่มันก็ถ่ายอาหมดเลยวันฉันนั่นแหละไม่มีเหลือเลยทดลองดูทีไรเป็นทุกทีอ่าไม่แต่งนั้นมาแน่กว่าเลยหยุดแล้วนั่นฉะนั้นมันก็ยังเลื่อนหลังมานานเลยทุกวันนี้มันจะเป็นอยู่ทุกวันนี่หรือคือไปเพื่ออย่างนั้นบ้างเป็นใจมาผมก็ทามาได้แต่ผมก็ไม่เสียดาย ไม่ไปยุ่งกับมันก็กาบเมืองนีว่ว่ะร่างกายทำมันเพื่อเอามาัดเอาผลน่ยังไงถึงจะให้มันนอนเหมือนหมูมันก็ต้องตายดีดเอาไปใช้งา น, นจะเป็นไรตายวะ่ะไปอยไางนั้นเสียท่านเบ า, ท, าท่านง่ายท่านง่ายแต่เรานี่ไม่ง่าย ความที่มันทำยากนี่มันก็ได้บทเรียนหลายอย่างเหมือนกันนะมันก็รแตกต่างๆแต่อย่างนั้นภายนอกผมไม่อามาเข้าในวงนผมไม่ค่อยพูดนอกจากมีรายได้ต้อมาเกี่ยวข้องาง น, นั้นพูดทันทีพูดกันในวงสัจธรรมนี่นส่วนมากเพราะพูดที่ถ้าพูดออไปองั้นพูดที่มินิไซดอีกอย่างมันค่อยจะยึดรับธทําเปเสียได้ไง นน ม, ม, มันก็แปลกอยู่การอี่เราสำหรับพีเอไม่ก็แปลกยู่มากนะมาฟังผมนนคือเบลามจะเป็นรวมปุ๊บงไปเลยเหมือนฟ้าถล่มกวนี้นี่แต่ส่วนมากมันค่อยๆลงไปทั้งหดแน่วแต่นี่เป็นส่วนเป็นปกตินิสัยเราจะว่าถึงจุดนี้อย่างเดียวไม่ได้เวลามันผ่านผลมันมันก็มี ปังเงื่อทีเดียวเลยมันจะตั้งตัวฉะนั้นมันก็มีนี่สายของจริงผเป็นเหมือนกับอะไรวิธีการผมเหมือนก็มีสองคมนี่แต่ไม่ใช่เป็นทางเสียงมันมันเป็นลักษณะนั้ น, นคือทานนั้นไม่ค่อยถืกเจ้าของอยู่มนทานไม่ถือแล้วมันจะเป็นนีสยัยนี่จริงเวลามันจะเป็นทธรรมที่แบบปึงลงไปเลยอ น, นี้มันก็เป็นบ้า้ ไม่เป็นอย่างเดียวทีนผู้ที่รวมแบบนั้นเราก็พูดได้ที่สุดแล้วเพราเราเป็นแหน่นั่นก็เป็นครูประจำหนึ่งที่จะสอนนิ่เพื่อนในภาระต่อไภาระนั่นก่อ่รู้สิ่นั้นสต่งนี้อย่างนา้ทำมาสงบธรรมดาธรรมดาไปด้วยความมีสติสตังข้าวของเรเรื่อยๆลงถึงคื้นถึงฐานมันก็ธรรมดามันไม่ได้กระยุ่งกับอะไรนี่เรียกว่าสมาที่แบบนี้ไม่ค่อยรอดแหลก่อนตลาด เป็นไปด้ความเคร่งขรึมลาบลื่นแต่สมาที่แบบนั้นมันผลเป็นไปได้สติปัญญาไม่ทันไึงไปนั้วมันม่อยู่ไปถึงไปแล้มันออกรู้ปั๊บถึงคุณเป็นที่แล้วขอยมามารู้ตัวเลยแปาบออกรู้ตัวหนึ่งนะฟังแต่ว่าสติปัญญาเถอะมันไม่รู้ขนาดนั้นมันก็รู้ขนาดนี้กนได้ะตามใจกันเป็นทัน เราไม่เคยหลงง่ายเรื่องอะไรก็คือพิจรณาเป็นได้เห็นได้ผลด้านหน้าด้านหลังแต่เพร อ, อย่างที่มันทําให้ผมงงมากจริงก็คือตารมาราคะางานงารเที่ยวราคาไี่เหมี่งงงือไม่ดีก็หาว่าเราไม่ได้ใช้ทาสงสติปัญญาเป็ น, ปนพื้นอยู่บางแล้วนี่ยังไงเราก็ต้องเผยตัวให้มันเห็นได้คือผมพิจานาอธุพ า, านนี้น มันทำงานจริงๆเราพูดได้อย่างองอ่านเลยมองดูคนนี้เวลามนะันเข้าถึงข้านทุกข์ทํางานนี้นะมองดูคนว่าผู้หญิงผู้ชานมันไม่ได้เห็นหน้าสีหนังมันพุ่งเข้าไปนั่นเลยเดินขนาดสามเก้านี้มันรอบได้ห้ารอบเลยความเลยทั้งหมาบางครั้งถ้ามัอยู่ผิวนะมันไม่มันไม่อยู่มันพุ่งเข้าไปที่มันเคยทํางานการพิจนารณานี่ต่อไปก็เรื่องราคามันก็ จางไปจางไปจางไปจนกระทั่งมันหายเงียบไปเลยหายเงียบไปแล้วเอาที้เอาเรื่องหลอกมาหลอกเอาเรื่องหลอกมามันก็พุ่งเข้าไปหาอัจเสียพุ่งเข้าแล้วต้องบังคับกันเหมือนกับต่อสู้กันอยู่ลกันนะม่มม่มเข้ามันไม่อยู่ผิวเนี่ยไหนสวยไหนงานมันอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนมันวมันมันหายเงียบไปเลย หใื่ใบมากมายตรงนี้เองค่อยหมดไปจางไปจางไปจางหายไปเลยไม่เหบอกระยะบอกขนาดนอย่างนี้มันมันกินใจได้ยัมันแ น, น่ใจได้ยัไงนอนใจได้ยัไม่เอาคือ่นั่นไม่เอาไม่เอาเพรานหมายถึงอาุภัยมันเติ่ นวดเลยจริงๆมองเห็นผอู๋นั่นไ ม, ไม่เห็นหนังนะเป็นเนื้อห่อกระดูกแต่ตนั้นมักรพุ่พงเข้าไปในกระดูกพุ่งเข้าไปนั่นทันทีทันทีเลยวจริงๆเพราะฉะนั้นอาามันถึงเหมาะเวลานั้นาาันสึกความอดานนั้นมันหลอกเราไมนะ่ใช่เล่นเนาะจนเรากาหนดต้องฝึก ส, สาวๆทางนั้นอ้าวดูดึดอยู่เป็นร้อยๆแบบ เราเดินบุกไปนี้จะไม่มีเรื่องเรื่องกำหนักเลยนวลเลยนวนมันหลอกเราขนาดนั้นนะอืความอาถารรพ์อาหารบ้านะฮะระหว่ามันยังไม่จริงมันอาถารแบบบ้านเราผ่าถึงมันไม่มันไม่ทำงานตามผ่านพูดอไปนี้เลยกนะ็ทำแต่เชือกของมันราคามันก็ยังมีเลยดีเมื่อเราข่านแต่นี้ไแตไ่เราถึงรู้ว่นมันโกหกเราได้อย่างนี้ขีดหมาก็มันละเอียดมาก มันเกิดความอาถรรพ์ทีนี้ออกงั้นนะบุนสมบัติไปเดินไปเราจะไม่ดูคนแสด็จเราจะหาดูคนเสด็จเพราะสายคือคือจะหลอกอันนี้มันจะแสดงยังไงบ้างหรือความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากนะมันจะแสดงการมันพุ่งก็ไปเสียมันมมีสาวมีแสวที่ไหนเนี่ยอืมันเป็นกองยุบผ้าด้วยกันแต่หมดเสี้ยกองหนังเนื้อหอกกระดูกกรเทียมหนังไม่มีเลย มันแดงโลกกันหมดเลยเพราะผมพิจารณาเนื้อ น, นั่งไปชินคนทั้งคนมนมีหนังเลยมองรูปปั้มนี้มันเข้าขอือแดงลเลไปหมดกมันต้องมาพลิกการเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องอหลายสันหลายคมพลิกกินอะไรมาอยู่นั่นแหละอดกองเนแง่ต่างๆทั้งปรบทั้งขู่ จนกระทํามันได้เลือกชัดเอืมันทนปัญญาไม่ได้นี่อะปัญญาจริงสำคัญมากนะนึก ไ, ไปนอนใจไม่ได้นะคึ้นไปคิ้นมาให้สติปัญญาหลายด้านหลายทางเข้กันมันก็จับกันจนได้เลยพอมันได้จังๆแล้วเออมันต้องอย่างนี้สิแน่หน่ะนั่ มันต้องบอกนี่มันต้องอย่างนี้อย่างนั้นคำที่จะโกงเหมือนกันทีนี้พออย่งนั้นแล้วไม่ทดลองเนี่ยทีนี้การทดลองนั้นมันก็เห็นว่าเป็นเรื่องบ้าซะหมดพอมันถ่านนี่มันแต่แต่คั้งๆที่มันถูกต้องนะในตอนนั้นการอานฐานก็ถูกต้องมันเป็นผลของการทำความํานาของทางการพิจาราด้านสุภาษิมันก็เป็นผลของมันการอ่านฐานมันก็ถูกแต่พอมันถ่านมาแต่นี่ว่าถ่านก็ กลัวก็อย่มันก็มาทั้งนั้นแหละแหนตัวเองนั้นะว่าตัวเองให้คนมักจะหลงคนมันนะตรงนี้อ่ะเคร็อยู่อันหนึ่งตรงนี้ราคาตามราคาเคล็ดสำคัญมากเคล็ดนี้พูดแล้วเธอฟังไม่ได้ เป็นหมายเป็นเพศตายตัวของผู้ปฏิบัติจะพึง <c oughs> ้ตัวเองาแล้วส็นไม่พูดเลินถึงประโยวน์พูดออกมาไปดนเือะไรมนะั่นอกจากจะเป็นความค่าหมายอย่างละเอียดของผู้ฟังจะทำให้คนนั้นสาคัญตัวผิดไปจริงพูดไม่ได้บอกแต่วิธีการเท่านั้นเมื่อเขาไปเจอแล้วรู้เอง นี่ก็เราทิ้ไม่เชื่อย่างเช่นใจเลยในหนังสือกันบอกว่ากัญญาณกุชนไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระโสดาภันได้หวังพระโสดาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระเิดีย์ทาคาได้พระเจดีาคาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระนาคาได้พระนาคาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอรหันได้แม้พระอรหันเช่นก็กก็็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระชายุวโมคลาได้เอาแม้พระชายอุวโมคลาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาขผู้เจ้าได้เนยเป็นสำคั้น มันมีแค่มีความแตกตายย่างดุจดั่งที่ียกต่างกัน ต, ตามคนใส่แต่เรื่องความคิงเกี่ยบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันไม่ถึงกันนะเหมือนกันแต่เคล็ดลับของพระพทธเจารักษาว่ากัาตาววานต่างกันอะนอีกนะความลึกซึ้งหรือความกว้างขวางของความรู้ความเจ้ า, จามาาหาภาษาลิบุนี้เป็นจอมปัญญา สร้ญญางปัญญายุคสรางปัญญาของเช้ความเพรเหมือเดด้ยนะไม่ต้องมีอะไมีการมีอย่างนี้แต่กนะ็เดือนนี้รุ่งนะเดือนนี้เป็นเดือนรุ่ไปถึงเดือนหน้าเป็นร่งหร คนหน้า่คนนันอย่างนั้นมาตรตานกันเกี่ยวกับพระแต่ว่าแบ่พระมันยกกันไม่ออกแล้วมาออกมาพระพระมัญญะพอมีตรงไหนที่จะพูดให้หมู่พวนฟังได้ไหมถ้ <c oughs> ามีก็พูด